วันนั้นวันที่เธอภายแพ้ในวันนี้วันที่เธอเสียใจขอให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอจะคอยเธอมีแรงสู้ต่อไปหากวันนั้น วันที่เธอท้อใจใ น, ในวันนี้วันที่เธอร้องไห้ขอให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกลจะอยู่ใกล้ใกล้ไม่ไกลห่างจากเธอคงจะมีสักวัน คงพบแสงสว่างคอยเธอก้าวไปด้วยใจที่เข้มแข็งอยางบอกให้เธอรู้ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอจะรอจะคอยพบเธอตลอดไปจะอยู่กับเธอเหมือนดาวอยู่บนฟ้า ระกายลงมาไม่มีวันดับลงคอยเธอนั้นกับดาวที่อยู่บนฟ้าคุณสักวันวันที่เธอรอคอยจะมา คงจะมีสักวันเธอคงพบแสงสวา่างคอยเธอก้าวไปด้วยใจที่แข็งแข็งอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอจะรอจะคอยพบเธอตลอดไปอยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอจะรอจะคอยพบเธอตลอดไป